ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาธมโมปแปลเรื่องที่หกมัชฌมังสวินิจฉะกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องปลาและเนื้อ พึงทราบวิธีใัยในเรื่องปลาและเนื้อทั้งหลายดังต่อไป น, นี้สัตว์น้ำแม้ทั้งปวงท่านกลาวไว้ด้วยมัชชะสัตว์สัตว์น้ำที่ชื่อว่าไม่ควรย่อมไม่มีแต่ในเนื้อทั้งหลายอากัปยะมังสะมีสิทธิชนิดคือเนื้อหนึ่งเนื้อมนุษย์สองเนื้อช้างสามเนื้อมา้าสี่เนื้อสุนัขห้าเนื้องูหกเนื้อตาจรสี เจ็ดเนื้อเสือโครกแปดเนื้อเสือเหลืองเก้าเนื้อเสือดาวสิบเนื้อหมีในอากัปปิยะมังสะทั้งสิบนั้นเนื้อมนุษย์ที่สุจนที่ฉันก็ไปเป็นทุนละใจในอากัปปิยะมังสะที่เหลือเก้าอย่างนั้นเป็นทุกกดบรรดาอากัปปิยะมังสะสิบชนิดมีเนื้อมนุษย์เป็นต้น เนื้อก็ตามกระดูกก็ตามเลือดก็ตามหนังก็ตามขนก็ตามทั้งปวงย่อมไม่สมควรก็คือฉันเข้าไปก็มีอาบัตมีโทษทั้งขนด้วยนั้นถ้าฉันผมเข้าไปนี่ก็มีโทษด้วยนะด้วยประการดังว่ามา น, นี้แต่ในมันเปรยวมันเปรยวมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นย่อมไม่ควรสำหรับมันเปรยวนะ ในน้ำนมเป็นต้นสิ่งที่ชื่อว่าไม่ควรย่อมไม่มีก็คือฉันน้ำนมของมนุษย์ได้แต่ในอากัปยะมังสะเหล่านี้พิสุจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเคี้ยวกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดากระดูกเป็นต้นย่อมเป็นอบัติแท้รู้เมื่อใดพึงแสดงคืนเมื่อนั้นเป็นอบัติทุกกฎในเพราะการรับแก่พิสุผู้รับด้วยคิดว่าเราไม่ถามจากเคี้ยวกินต้องถามก่อนได้เห็นเป็นเนื้อนะ ถ้าสงสัยฉันเข้าไปก็ต้องอบัตก่อนทุกกฎแต่ถ้าแน่ใจว่าเป็นเนื้อที่เป็นกัปยบังสะก็ฉันได้ไม่เป็นอาบัตแก่พิษูผู้รับด้วยคิดว่าเราถามแล้วจับเขียวกินดังนี้อันหนึ่งย่อมเป็นอาบัตแก่พิจุผู้รู้ว่าเขากระทําเจาะจงแล้วเขี้ยกินอยู่คืออุทิศบังสะอุทิศบังสะเนี่ยหมายถึงเนื้อที่เขาฆ่าเพื่อถวายพระภิจุโดยตรง ภายหลังรู้พระวินัยทรไม่ผึงปรับอาบัติคือถ้ารู้หรือว่าสงสัยว่าเขาจะทําถวายตนเองแล้วก็ฉันเนี้ยอาบัติทุกกฎแต่ถ้าไม่รู้แม้ว่าเขาทําถวายเพื่อพระพิสุพระพิสุก็ไม่รู้นะฉันก็ไปไม่มีอาบัติแต่ถ้าเป็นอกักบิยมังสะนี่รู้หรือไม่รู้ก็ตามฉันก็ไปก็อาบัติทุกกฎหมดยกเว้นเนื้อมนุษย์ฉันก็ไปนี่อาบัติทุนละใจ บรรดาบทเหล่านั้นปลาและเนื้อที่เขาฆ่าแล้วตกแต่งเพื่อประโยชน์แก่พิสุทั้งหลายชื่อว่าอุดิสกะตะปลาและเนื้อที่เขาทําเจาะจงปลาและเนื้อแม้ทั้งสองที่เขากระทําเจาะจงย่อมไม่ควรทั้งปลาทั้งเนื้อนี่นะก็าทาเจาะจงเขาฆ่าเพื่อพระพิสุนี่ไม่ควรปลาและเนื้อที่เขาทําเจาะจงแม้นั้น ที่พิจตุไม่เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยย่อมควรแม้ว่าเขาจะฆ่าเพื่อพระิจตุก็จริงแต่ว่าพระิตุไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สงสัยเลยคือไม่รู้เลยฉันก็ไปก็ไม่มีอับัตงจริงอยู่ปลาและเนื้อที่บริตุดโดยส่วนสามคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจแต่ว่าไม่สงสัยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วบรรดามังสะสามอย่างนั้นมังสะที่ชื่อว่าไม่ได้เห็น คือไม่เห็นชาวบ้านฆ่าเนื้อและปลาเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกพิจุที่ชื่อว่าไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินว่าพวกชาวบ้านฆ่าเนื้อและปลาเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกพิจุแต่ที่ไม่ได้สงสัยผู้ศึกษาพึงรู้จักมังสะที่สงสัยด้วยการเห็นสงสัยด้วยการได้ยินและการที่สงสัยพ้นจากเหตุทั้งสองนั้นแล้วพึงทราบโดยในตรงกันข้ามจากสามอย่างนั้น ก็คือเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าจะเห็นเขาฆ่าเอ๊ะเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าหรือว่าได้ยินเสียงกั่ได้ยินเสียงอะไรมันร้องเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าหรือว่าคิดขึ้นมาเองสงสัยนะถ้าสงสัยอย่างนี้แล้วฉันก็ไปก็อบดับคืออย่างไรคือว่าพวกพิสูจนในธรรมวินัยนี้เห็นพวกชาวบ้านถือแหนและตาข่ายเป็นต้นกําลังออกไปจากบ้านหรือกําลังเที่ยวไปในป่า และในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านก็นำบินธบาศมีปลาและเนื้อมาถวายแก่พิกจุเหล่านั้นผู้เข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบินธบาศพิกษุเหล่านั้นสงสัยด้วยการเห็นนั้นว่าพวกชาวบ้านทําเนื้อเพื่อประโยชน์แก่พวกพิกจุหรือหนอแลมังสะนี้ชื่อว่าสงสัยโดยได้เห็นมาจะรับมังสะเช่นนั้นไม่ควรมังสะที่ไม่ได้สงสัยเช่นนั้นจะรับควรอยู่ ก็ถ้าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทํำไมขอรับจึงไม่รับใน้ฟังความนั้นแล้วพูดว่ามัางสะนี้พวกกระผมไม่ได้กระทําเพื่อประโยชน์แก่พิจุตทั้งหลายพวกกระผมกระทําเพื่อประโยชน์แก่ตนเองบ้างเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการเดินต้นบ้างดังนี้มังสะนั้นควรอยู่ถ้านก็บอกว่าผมไม่ได้ฆ่าเพื่อท่านนะผมจะบริโภคของผมเองแต่ว่าเอามาทำบุญบ้างอันนี้จะฉันก็ได้จะรับก็ได้ พิจูุทั้งหลายไม่ได้เห็นเองแต่ได้ยินว่าได้ยินว่าพวกชาวบ้านถือแหและตาขายเป็นต้นออกจากบ้านหรือเที่ยวไปในป่าดังนี้และในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านก็นำบินตาบามีปลาและเนื้อมาถวายแก่พิจุเหล่านั้นผู้เข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบินตบาาพวกเธอสงสัยด้วยการได้ยินนั้นว่าเขาทำเพื่อประโยชน์แก่พิจูทั้งหลายหรืออย่างไรหนอ มังสะนี้ชื่อว่าสงสัยด้วยได้ยินมาจะรับมังสะนั้นไม่ควรมังสะที่ไม่ได้สงสัยอย่างนี้จะรับควรอยู่ก็ถ้าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทำไมขอรับท่านจึงไม่รับเล่าฟังความนั้นแล้วพูดว่ามัางสะนี้พวกกระผมไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่พิสษุทั้งหลายพวกกระผมทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองบ้างเพื่อประโยชน์แก่ราชการบ้างเป็นต้นดังนี้มังสะนั้นก็จะรับควรอยู่ อันเด็กพิกษุนทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินมาเลยแต่เมื่อพวกพิสูจ์เหล่านั้นเข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบินบาตชาวบ้านรับบานไปแล้วจัดบินบาตมีปลาและเนื้อนํามาถวายพวกเธอสงสัยว่ามังสะนี้เขาทําเพื่อประโยชน์แก่พิสูจน์ทั้งหลายหรืออย่างไรหนอนี้ชื่อว่ามังสะที่สงสัยพ้นจากเหตุทั้งสองนั้นแม้มังสะเช่นนั้นก็ไม่สมควรจะรับมับงสะที่ไม่ได้สงสัยอย่างนั้นจะรับควรอยู่ ก็ถ้าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทําไมขอรับพวกท่านจึงไม่รับแล้วฟังความนั้นจึงพูดว่ามังสะนี้พวกกระผมไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์แต่พิจษตทั้งหลายพวกกระผมทําเพื่อประโยชน์แก่ตนเองบ้างเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าราชการเป็นต้นบ้างหรือว่าพวกกระผมได้ประวัติมังสะก็คือเนื้อที่มันตายแล้วเนื้อที่มันตายเองเฉพาะที่เป็นกัปติยะเท่านั้น จึงปลุงให้สําเร็จเพื่อประโยชน์แก่ทิ่สุทั้งหลายมังสะนั้นควรอยู่ก็คือรับได้ฉันได้แม้ในมังสะที่เขาทําเพื่อประโยชน์แก่เปตะกิจก็คือเพื่อคนตายแก่พวกชนผู้ตายไปแล้วก็ดีเพื่อประโยชน์แก่งานมงคลเป็นต้นก็ดีก็มีในนี้เหมือนกันจึงอยู่มังสะชนิดใดๆที่เขาไม่ได้กระทาเพื่อพิจุทั้งหลายเลย และพิตุก็ไม่มีความสงสัยในมังสะใดมังสะนั้นควรทั้งหมดควรฉันได้ควรรับได้ก็ถ้าว่ามังสะที่เขาอุทิศเพื่อพิจุทั้งหลายในวิหารหนึ่งคือตั้งใจถวายเจาะจงคำว่าอุทิศเนี่ยและพวกเธอไม่ทราบว่าเขากระทาเพื่อประโยชน์ตนแต่พิจุรูปอื่นรู้พวกใดรู้ไม่ควรแก่พวกนั้น แต่ควรสําหรับพวกที่ไม่รู้นอกนี้คือเขาฆ่ามาเพื่อพิกษุนี้แหละแต่พิกูุนี้ไม่รู้พิกูุอื่นรู้พิกษุใดรู้ก็ไม่ควรแก่พิสูุนั้นแหละพิกษุที่ไม่รู้ก็ฉันได้รับได้ไม่มีอวบัตําครับอุทธิสัมมันสัตฆ่าเจาะจงเนี่ยต้องไม่รู้ถึงฉันได้ถ้ารู้เป็นอวบัติแต่ถ้าเป็นอากัปปิยะนี่รู้หรือไม่รู้ถ้าฉันก็ไปก็เป็นอวบัติหมดพวกอื่นที่ไม่รู้ แต่พวกเธอเท่านั้นรู้ย่อมไม่ควรเฉพาะพวกเธอเท่านั้นคือพวกที่รู้นั่นแหละแต่ควรสําหรับพวกอื่นแม้พวกเธอรู้อยู่ว่าเขากระทําเพื่อประโยชน์แก่พวกเราถึงพวกพิสูจอื่นก็รู้ว่าเขาทําเพื่อประโยชน์แต่พิสูจนพวกนี้ไม่ควรแก่พวกเธอทั้งหมดพวกพิสูจนทั้งหมดไม่รู้ย่อมควรแก่พวกเธอทั้งหมดบรรดาสาทำมิตรทั้งห้า มังสะอันเขาทําเจาะจงเพื่อประโยชน์แก่สะทำมิตรรูปใดรูปหนึ่งก็ตามย่อมไม่สมควรแก่สะทำมิตรทั้งหมดถ้ารู้ก็ไม่ควรทั้งหมดเลยถามว่าก็ถา้ า, ถาว่ามีบุคคลบางคนฆ่าสัตว์เจาะจงพิจุรูปหนึ่งบรรจุบาทให้เต็มแล้วถวายแก่พิจุรูปนั้นและเธอรู้อยู่ด้วยว่ามังสะเขาทําเพื่อประโยชน์ตนรับไปแล้วถวายแก่พิจุรูปอื่น ที่สูตรรูปอื่นนั้นฉันด้วยเชื่อพิกูุนั้นใครต้องอาบัตเล่าที่สูตรได้รับอาหารบินตาบาทมาก็รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแต่ว่ารับมาแล้วทํายังไงได้จะเอาไปเททิ้งก็ใช่ที่เสียได้ก็เลยเอาไปถวายกับพระพิสูตอีกรูปหนึ่งพระิสูตรรูปที่รับรูปหลังนี้รับไม่รู้ก็ฉันคิดว่าไม่มีโทษอะไรแนละ้วก็ฉันเขไปถามว่าเป็นอาบัตไหมใครเป็นอาบัตตอบว่าไม่ต้องอาบัตแม้ทั้งสองรูป ด้วยว่ามังสะที่เขาทำเฉพาะพิจุรูปใดไม่เป็นอาบัตแก่พิจุรูปนั้นเพราะเธอไม่ได้ฉันและไม่เป็นอาบัตแก่พิจุนอกนี้เพราะว่าเธอไม่รู้แท้จริงในการรับกัปปิยะมังสะไม่เป็นอาบัตเพราะว่าไอเนื้อที่เขาทำมาถวายเป็นกัปปิยะมังสะไม่ใช่อากัปปิยะมังสะถ้ารับเนื้อ น, นั้นมาเนี่ยตอนรับไม่เป็นอาบัตแต่ รู้ว่าเขาทดเจาะจงฆ่าเพื่อตนถ้าฉันถึงจะเป็นอบัตมันตอนรับไม่เป็นอบัติแต่ที่สุไม่รู้ฉันมังสะที่เขาทําเจาะจงภายหลังรู้เข้ากิดด้วยการแสดงอาบัตไม่มีคือเขาฆ่าเจาะจงเราเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงแต่ว่าฉันเรียบร้อยไปแล้วอ่ะภายหลังจึงรู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตัวเองอันนี้ไม่เป็นอบัตต้องรู้ก่อนที่จะฉันนะรู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตน แล้วฉันเข้าไปอันนี้ถึงจะมีอบัติส่วนที่ตุไม่รู้ฉันอักับปยิยะมังสะก็คือเนื้อที่ไม่สมควรทิศชนิดนั้นแม้ภายหลังรู้เข้าก็พึงแสดงอาบัตอันนี้จะรู้ไม่รู้เป็นอบัติหมดจึงอยู่เป็นอบัติแก่ที่ตุผู้รู้แล้วฉันมังสะที่กระทําเจาะจงก็คือพวกอุทิศะมังสะและเป็นอาบัตเหมือนกันแม้แก่ที่ตุผู้ไม่รู้ฉันอักับปิยะมังสะก็คือเนื้อที่ไม่สมควร พราะเหตุนั้นที่สุเกรงกลัวต่ออาบัตแม้เมื่อกำหนดรูปการพึงถามก่อนแล้วจึงรับประเคนมังสะจะรับประเคนด้วยตั้งใจว่าในเวลาฉันเราจักถามแล้วจึงจะฉันแต่ว่าควรถามก่อนแล้วจึงฉันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะมังสะรู้ได้ยากความจริงเนื้อหมีก็คล้ายกับเนื้อสุกรเนื้อเสือเหลืองเป็นต้นก็คล้ายกับเนื้อมรึกเป็นต้น เพราะเหตุนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าการถามแล้วจึงรับประเคนนี้เป็นธรรมเนียมก็ควรจะต้องถามก่อนนะถ้าสงสัยโดยเฉพาะถ้าไปทางถิ่นที่เขาบริโภคเนื้อที่ไม่สมควรอย่างเช่นแถวสกลนครอันนี้ถ้าไปรับบินทบาทก็ต้องถามนะว่าเนื้ออะไรถ้าเกิดเป็นเนื้อสุนัขอันนี้ก็ฉันเข้าไปก็มีอวบอวบจุกจิก ก็ถามวินิจฉัยในเรื่องปลาและเนื้อในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบโตงก็มีเนื้อสามชนิดมีชื่อเป็นภาษาบาลีสามชนิดอย่างแรกก็เรียกว่าอากัปปิยะมังสะมีสิบชนิดอากัปปิยะมังสะสิบชนิดก็ได้แก่เนื้อมนุษย์ถ้าฉันก็ไปต้องบัดทุนลใจเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูราจสีเสือช่องเสือเหลืองเสือดาวแล้วก็หมี เ้าชนิดหลังนี้ถ้าฉันก็ไปต้องอบัตทุกกฎจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนี่เรียกว่าอะกับปียกมังษะส่วนอุทิศะมังตะอุทิศะมังะษงะหมายถึงเนื้อที่ก็ฆ่าเจาะจงถวายพระพิสุอันนี้ต้องรู้ด้วยอาการสามอย่างก็คือเห็นได้ยินหรือว่ารังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อตนอย่างนี้ถ้ารู้แล้วฉันเข้าไปต้องอบัตทุกกฎ แต่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแม้ว่าเขาจะฆ่าจริงๆก็ไม่รู้เลยไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้รังเกียจเลยว่าเขาฆ่าเพื่อตนฉันก็ไปนี่ไม่เป็นอบัติแม้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนจริงๆแต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นอบัติแต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแล้วฉันก็ไปจึงจะมีอบัติแล้วก็เนื้ออีกชนิดหนึ่งเรียกว่าประวัติตรังส่าประวัติตรังสาก็หมายถึงเนื้อที่มันตายของมันเอง เนื้อที่มันตายอยู่แล้วนี่นะเพราะฉะนั้นพระวิสุทธ์ฉันได้ไม่มีปัญหาเขาเอาประวัติธรงมสัมาทําอาหารให้เนี่ยนะฉันได้แต่ว่าถ้าเกิดเ้าเอาประวัติธรรมสัมมาคือเนื้อที่มันตายแล้วมาทําเป็นอาหา ร, แ ต, รตา แ, ตา แ, แต่พระวิสุทธิ์เกิดไปสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อตน re, แล้วก็ฉันเข้าไปอันนี้ก็มีอาบัติเป็นกันมีอาบัติข้อสงสัยไม่ใช่มีอาบัติเพราฉันเนื้อมีอาบัติข้อสงสัยแล้วขืนฉันเข้าไปนนี้จึงเป็นอาบัติ อันนี้ก็จบเรื่องของมังสาที่เป็นอากัปยามังสาแล้วก็อุติสาบมังสาบวัฏตาบังสาด้วยนะ